พินดึงกายขึ้นนั่งในพริบตาอาการเช่นนั้นทำให้อิสเบนที่หนุนไหลเขาอยู่หลุดพ้นไปจากอกแล้วใครต่อใครในฝ่ายนายจ้างที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่ก็คงจะถูกปลุกขึ้นพร้อมๆกันจากเสียงตะโกนและเสียงปืนจากบุญคำใครจะกำลังตะหนกสับสนอย่างไรเพราะเสียงปืนไม่ทราบได้แต่เท่าที่ระพินเห็นอยู่ขณะ น, นี้ทั้งจัน์และตากยืนชะ ง, งักตวโกง จากอาการที่กำลังจะก้าวออกไปสู่ป่าอันดำมืดหลังกองไฟอันเป็นเขตนอกปริมณฑลที่เขากำหนดทั้งสองเบ่าวนายที่รู้สึกตัวมาก่อนล่วงหน้าแล้วบัดนี้กระโดดลุกขึ้นยืนพร้อมกันบุญคำนั้นในมือถือลูกซองห้านัดที่ควันยังชุยจากปากระบอกและระพินเอ็มสิกลำกล้องสั้นแบบคอมมานโดที่เขาเอายึดไว้ใกล้ตัวก่อนลงนอน ขณะที่เขาเก้าวเท้าสวบๆออกไปนั้นตะคาเล่นชิวออกไปแล้วถึงตัวจันและนายตราบกระชากไหลทั้งสองเซหลุนหลุนกลับเข้ามาพร้อมตาวาดก้องมึงสองคนยะ อ, อกไปไหนกลับามาเดี๋ยวนี้จันถูกดึงเซจนตัวหมุนส่วนตราบนั้นกำลังแรงจากการกระชากของบุญคำเซไปสะดุดฟืนล้มก้นกระแทกลงอาการของคนทั้งสองอยู่ในสภาพมึนงง ใครคนที่เพิ่งรู้สึกตัวทำหน้าล็อกแหลกยังไม่อาจพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นส่วนทางด้านฝ่ายนายจ้างพ็นกันขึ้นยืนและชนกันจ้าละวันไปหมดในขณะ น, นี้อิสเบนซึ่งหลุดพระจากการนอนซบไหลระพินหันไปตะครุบ M16 ประจมือที่วางไว้ด้านศาีรษะแตนลีและคิดอันอาการไม่สบายเมื่อหัวค่าหัวชนกระแทกกันอย่างแรง ขณะที่ต่างคนต่างตลีตาลานขึ้นมาอย่างคนฝันร้ายส่วนคริสติน่าและเชิร์ตบุตรกระโดดขึ้นยืนได้อย่างฉับไวที่สุดเยี่ยงคนที่รอคอยวินาทีสําคัญอยู่แล้วปืนประจํามือปากกระบอกเฉียงสูงขึ้นลูกหาบและพรานของระพินทุกคนบัดนี้ก็ฮือกันขึ้นยืนทั้งหมดเพียงแต่ว่าพวกนั้นไม่มีเสียงโวยวายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเสียงตะโกนร้องทักถา ม, ถามจากฝ่ายนายจ้าง และเสียงดาขมวงโฉงเฉงของบุญคำที่มีต่อจันและตาบในขณะนี้เท่านั้นระพินก้าวยาวๆเข้ามาถึงตัวในตาบที่ยังเค้กแก้อยู่เหนียวต้นแขนให้ยืนขึ้นมาในขณะที่บุญคำก็หันกลับไปตบชาดกันที่หน้าของจันเหมือนจะเป็นการปลุกประสาททางด้านหลังสเตลีคีทอิเบลคริสตินา่าและเชิดบุตรรวมห้าคน บัตรนี้ยืนในลักษณะเตรียมพร้อมจ้องมองมาเป็นตาเดียวพร้อมกระลำไฟฉายอีกหลายดวงที่ศาส จ, จ้ามารวมจุดตรงบริเวณเกิดเหตุคนเหล่านั้นดูเหมือนจะรอฟังข่าวอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกลูกหบาบก็ยืนกระจายกันอยู่ในตำแหน่งต่างๆอย่างคนที่คุ้นกับเหตุการณ์มาดีแล้วไม่มีใครพลุกพล่านแม้จะตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นตอบ ระพินถามเสียงต่ตําๆจ้องหน้านายตาบหน้างงเอามือตบขมับตัวเองย้อนถามมาว่านายเสียงคปืนตะเกียกให้ยังไงครับก็กูสิยิงแต่กูไม่ยิงทําไมมาวิ่งกระชากมึงสองคนนี่บานนี้พวกมึงก็พักกันเดินออกนอกเขตไปแล้วมึงเป็นอะไรกันไปเนี่ย เสียงบุญคำตะคอกมาจันอาปากหวอบอกตะกุกตะกักมาว่าเอ๊ะฉันฉันว่าฉันกับเจ้าตาบก็ยืนฟังเสียงอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยพิคคำไม่ได้ออกไปไหนสักนิดอะ่ะฟังเสียงอะไรมึงสองคนได้ยินยังไงตาพรานเท่ากระชั้นถามต่อมาเร็วปรือในขณะที่รพินจ้องหน้าทั้งสองขมิง mình. ฉัน ฉันกัเจ้าตาบก็ได้ยินเสียงคล้ายๆแม่มเบละ่ะมาร้องให้ช่วยอยู่หลังโคนไม้นอนก็ยินฟังอยู่เฉยๆจะจับให้แน่ชัดไม่ได้กล้าวออไปอ่ะบุญคำสบดอะไรออกมาคำหนึ่งมองหน้ารพินจอมพรานเม้มริมฝีปากเกิดเป็นเส้นตรงก็รู้อยู่แล้วว่าแม่มเบลนอนอยู่ในที่พักของพวกเจ้านายนั่นแล้วจะมีเสียงของแม่มดังมาจากโคนไม้นอกกองไฟได้อย่างไง ถึงว่าสินนายนายตาบอบอิบเกาหัวผมสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละถึงได้ยืนฟังอยู่พี่แน่ๆไม่ได้ออกเดินไปสะักะ็หน่อยแล้วอยู่ๆพี่คําก็แล่นมากระชากจนหกขมำความขมเมรร้องด่าอึงอยู่นี่แหละมึงมึงสองคนเดินอะไรกันเส็จแล้วได้ดีว่ากูกับนายตื่นขึ้นมาทันแล้วก็มองเห็นไม่งั้นมึงเสร็จไปแล้วถอยก็ไปถอยก็ไปลึกๆนั่น ไม่ต้องออกมายืนอยู่ตรงกองไฟริมสุดเนี่ยกู้ก็ได้ยินเหมือนกันแ ต, ไนนตไ่ได้ยินเสียงมันไตหัวร้อเยาะมาไม่ได้ยินเสียงแหม่มสัก็หน่อยก็เฝ้าดูมึงสองคนอยู่นานแล้วแรกนึกว่าจะได้ยินเสียงมันหัวร้อเหมือนกันดันได้ยินเป็นเสียงแหม่มไม่ใชฉิบจันก็ตาดตาค้างปั้นทำหน้ายากที่สุดบุญคําเอามือผลักใสทั้งสองให้เดินร่นเข้ามาระพินกงยืนส ง, งบอยู่กะที่ ขณะนั้นเสียงของคีตกับสแตนลีก็ดังตะโกนถามมาว่ามีอะไรเหรอระพินเขายังไม่ตอบในขณะนั้นทันทีแต่โบกมือขึ้นเป็นสัญญาณว่าได้ยินเสียงร้องถามนั้นแล้วแต่ยังไม่อยู่ในภาวะที่จะตอบระยะระหว่างเขาและนายจ้างขณะ น, นี้ห่างกันเพียงแค่เก้าถึงสิบเมตรเท่านั้นเองและเนื่องจากเขาไม่ตอบในทันทีนั่นเอง ทำให้ทั้งสี่คนขยับจะเดินปรียออกมาจากบริเวณที่นอนระพินจึงร้องบอกไปเสียงห่าว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นก่อนครับอย่าเพิ่งออกมาครับคําสั่งของเขาในภาวะเช่นนั้นศักดิ์สิทธิ์พอใช้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งเชิดวุธที่กําลังจะเดินเข้ามาทั้งกลุ่มหยุดชะงักในทันทีและทั้งหมดจ้องมาที่ร่างแกลงเกรงของเขาเป็นตาเดียวเพื่อจับดูปฏิกิริยา ความเงียบที่เกิดขึ้นชั่วขนาดจิตทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกคนในแคมป์ลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมแล้วอย่างยังไม่ทราบว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นระพินไพรวันฉายไฟในมือออกไปยังราวป่าเบื้องนอกทันทีที่ลําแสงของไฟส่องสัตว์พุ่งปราดออกไปเท่านั้นเลือดในกายทุกคนที่แลไปเห็นก็แทบจับเป็นก้อนแข็งแม้จะมีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว ซากของไอ้ผีดิบนับอายุไม่ได้ตนหนึ่งยืนทำ ง, งานอยู่ยังโคนไม้ใหญ่ยังไม่มีอะไรเป็นที่หลบกำบังเลยห่างออกไปเพียงแค่เจ็ดแปดเมตรเท่านั้นเป็นซากที่ไม่สมบูรณ์นักเพราะมีแต่ลำตัวแขนขาแต่ศีรษะไม่มีเสียงพวกลูกหามที่ยืนอยู่ใกล้ๆร้องเฮวขึ้นมาอย่างตกใจและผวารวนเรไปขนาหนึง่ง ระพินกราดไฟฉายละเรื่อยต่อไปด้วยสติอันพร้อมหมูลช่วงระยะที่ห่างกันแค่หนึ่งว่ามีอีกตัวหนึ่งยืนเสแยแเขี้ยวประดุดซากมัมมี่และเมื่อกวาดลำแสงต่อไปอีกก็เห็นพวกมันเข้าแถวยืนลายร้อมไว้ทั้งแถบแล้วไฟฉายช่วยกันใช้หมดทุกด้านรวพินร้องบอกไปยังทุกคนได้ยินดังลั่นไปทั่ว บัตรนั่นเองไฟฉายในมือของแต่ละคนก็สาดจ้าออกไปทุกทิศโอ้ไมยกอดอิสเบรนุท่านออกมาแผ่วเบาสตาลีแยกเขี้ยวสีตาลงฮิดยกลรเฟลประจำตัวขึ้นประทับไหลแล้วคริสติน่าปลดห้ามไกเอ็นสส่วนเชิดบุษยหยิบพลุฟไฟและระเบิดเพลิงขึ้นมาถือทุกด้านทุกทิศ ที่ลํำแสงไฟสาดส่องออกไปอาคันตุ ก, กาผู้มาเยือนในยามราตรีส ง, งัดกลางดึกดูเหมือนจะนับจำนวนไม่ท่วนเข้าแถวตีล้อมเป็นวงกลมทุกทิศทางยกเว้นทางด้านเดียวคือด้านหลังของต้นไทรซึ่งไม่ปรากฏว่ามันตนใดจะโผล่ออกมาทางด้านนั้นแต่ละซากกระรุ่งกระริ่งไม่มีส่วนของกายอันเคยเป็นมนุษย์ครบถ้วนนะัก มักจะขาดขาดหายหายไปในบางส่วนซึ่งชวนให้สยดสยองหวาดเสียวยิ่งขึ้นผีตายซากโผลขึ้นมาจากนรกอย่างใดก็อย่างนั้นทุกคนรอคอยคำสั่งจากเขาเท่านั้นว่าจะให้ยิงหรือดำเนินการอย่างไรและแปล ร, รูปขบวนโดยไม่ต้องสั่งกันให้เสียเวลาโดยแยกกันยืนอยู่คนละจุดหันหลังชนกันหันหน้าออกเผชิญไปยังราวป่าที่มองเห็นอยู่ทุกทิศ พวกมันยืนนิ่งไม่มีตนใดเคลื่อนไหวแต่อยู่นอกเขต ท, ทั้งสิ้นไม่ได้ขยับลำเข้ามาเลยระพินบัตรนี้เดินช้าๆไปรอบๆอาณาบริเวณที่พักสำรวจดูแต่ละตนเหล่านั้นเขากำลังหาซากที่มันไรเข้าสิงอยู่แต่ไม่พบตนไหนใกล้เคียงเลยทุกตนมีแต่ความน่าเกลียดน่าทุเรศ นน้นัไม่มีตนไหนหน่ากลัวในสายตาของเขาเพราะบางตนแขนทั้งสองกุดด้วนมีแต่ขาเท่านั้นที่ยืนทรงร่างอยู่ได้และหลายๆตนมีทั้งขี้ดินหรือมิฉะนั้นก็หินงอกเกาะไปจูแสดงว่ามันเพิ่งจะหลุดออกมาจากสุสารที่เก็บทรงมันไร มันไงระพินตะโกนกอ้องเรียกนามของไอ้จอมนรกออกไปเหมือนจะท้าทายให้มันปรากฏร่างออกมาเงียบกริบไม่มีคำตอบใดๆมาเลยและร่างบริวารของมันเหล่านั้นก็คงสนิทนิ่งไม่ไหวติงระพินขออนุญาตยิงนะ คริสติน่าอดรนทนอยู่ไม่ได้ร้องตะโกนมาอย่ายิงให้เปลืองกระสุนเรามันแค่มาเยี่ยมดูเราเท่านั้นถึงยังไงมันก็ข้ามเขตกองไฟที่ก่อเข้ามาไม่ได้หรอกเอายังไงกับเราไอ้พวกนรกแปลพวกนี้คิดร้องกล้องมาอีกคนอย่างเริ่มจะบ้าดีเดือดบัดนี้อาการป่วยเมื่อตอนหัวค่าของเขาแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งแล้ว รวมทั้งด็ตอร์สแตนลีด้วยมันตอบคำถามของพวกคุณไม่ได้หรอกว่ามันจะเอายังไงแต่มันก็พิสูจน์ให้เรารู้ชัดก่อนตะ ว, วันขึ้นแล้วว่าเรามุ่งเข้าหาจุดหมายตรงเป้าไม่คลาดเคลื่อนนี่และคือดินแดนของมันด็ตรสแตนลีประโยคหลังเขาตะโกนเรียกนามหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวโุโส ผมอยู่นี่ระพินพร้อมอยู่เสมอจะยังไงก็สั่งมาขอพลุไฟหนึ่งลูกครับผมต้องการความสว่างในบริเวณนี้ทั้งหมดเพื่อจะได้เห็นถนัดมากกว่าไฟฉายครับขาดเสียงของพรานใหญ่แค่อึดใจเดียวก็มีเสียงลั่นปังจากพลุ ไม่ได้มาจากมือของหัวหน้าคณะมาจากมื อ, อเชิดวุติเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วแสงสว่างราวกับผีพุ่งใต้ช่อช่วงผ่านเหนือสีรษะของระพินไปยังตาเบื้องหน้าเชิดวุตยิงพลุอย่างฉลาดคือไม่ได้ยิงโดงสูง90องศาขึ้นไปเหนือสีรษะเพราะจะต้องตัดกิ่งไม้ด้านบนอันเป็นบริเวณที่พักแน่นอนแต่ยิงเฉียงออกนอกบริเวณ ให้ปะทะกับกิ่งหรือลำต้นไม้ที่ห่างนอกบริเวณพอสมควรมันกระทบเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่ในมุมเฉียง45องศาแล้วดวงไฟที่ให้แสงสว่างราวกับดวงตะวันย่อมย่อมก็แผดจ้าไปในบักนั้นพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกติดกิ่งไม้สูงขึ้นไปด้วยจากแสงสว่างเจิดจ้าราวกับกลางวันนั้นเงาพิษสวงทั้งโปงที่แวดล้อมอยู่ในความมืด ก็ถูกขับไล่ออกไปทุกคนสามารถมองเห็นสภาพป่ารอบด้านได้ถนัดชัดเจนทุกทิศทางแทบจะไม่มีมุมใดเป็นมุมมืดอยู่อีกในรัศมีที่ห่างออกไปส0สเมตรโดยรอบเว้นแต่จะมีเงาของต้นไม้ใหญ่หญมาบังไว้เท่านั้นโอ้โหมันมากันเป็นกองทัพเลยนี่วาคิดตะโกนขึ้นถูกต้องตามคำของนายนั่นนะ รอบปางพักเว้นครูเมืองด้านหลังอันมีต้นไซยืนตระงานอยู่ไอ้ผีป่าช้าแตกยกพลมาเรียงแถวหน้ากระดานรูปกึ่งวงกลมรายล้อมไว้เต็มไปหมดไม่น้อยกว่าร้อยร้อยตนขึ้นไปทุกคนเห็นประจักษ์ตาพร้อมกันหมดบุญคำพูดลอดไรฟันไปยังจันและนายตาบที่ยืนตัวแข็งอยู่กันข้างว่าไงมึงเห็นอยาง ที่มึงคงไม่เหลือแม้แต่กระดูกถ้าเสือกพลพ้นบริเวณปริมณฑลนี่ออกไประพินถอยมารวมกับพวกนายจ้างของเขาในทันทีนั้นบอกมาโดยเร็วว่าสงบสติอารมณ์ให้ดีที่สุดครับอย่ายิงให้สิ้นเปลืองกระสุน ม, มันส่งพลออกมาส่งให้เราให้มันเพื่อนล่อให้เรายิงอถึงแต่ขืนยิงไปก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้ ถ้ายิงพวกมันล้มไปหมดไอ้พวกที่อยู่ในสูสารก็จะแห่กันออกมาแทนกระสุนต่อให้มีมากกว่านี้อีกสักสองเท่าก็ไม่เหลือแล้วเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเราก็จะไม่มีกระสุนใช้อ้าแล้วจะให้เราทำยังไงล่ะราพินจะร้อยมันบุกเข้ามาไงสแตนลีถามเสียงแห่แผ บ, บมือกระชับไรเฟิลแน่นจ่องเขมิงตาแทบปะทุ ด็อกเตอร์ครับผมขอรับรองครับถ้าเป็นเฉพาะไอ้ซาบ พ, พวกนี้มันจะบุกล้ำเขตเข้ามาไม่ได้เลยนอกจากมายืนรายล้อมอยู่ในวงนอกเท่านั้นมันกําลังทําสงครามประสาทกับเราอย่าหลงกลยิงให้หมดเปลืองกระสุนพวกมันจะมายืนหลอกหลอนอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ถ้ามันยืนไปแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเราเฉยซะปะเดี๋ยวมันก็ถอยกลับหรือไม่อย่างนั้น พอใกล้ๆตะ ว, วันขึ้นมันก็ถอยเองและพรุ่งนี้ตะ ว, วันขึ้นเราจะจัดการกับมันครับแสงสว่างจากพลุที่เชิดวุษยิงไว้ยังคงสว่างจ้าอยู่เช่นนั้นและต่างฝ่ายก็ต่างอยู่ในภาวะประจันหน้าอันทํานายไม่ถูกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ณนะบัดนี้ทุกร่างที่ปรากฏขึ้นอย่างเงียบกริบลึกลับ นิ่งเหมือนเสาหินหรือต้นไม้หรือมิฉนั้นก็ตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่ยังไม่ได้รับการบังคับสั่งให้เคลื่อนไหวนี่ระพินตามปกติแล้วเท่าที่ผ่านมาลูกปืนของเราไม่สามารถจะหยุดไอ้พวกนี้ได้เลยถ้ามันเจตนาจะตรงทื่อเข้าใส่เพราะมันเป็นซากที่ปราศจากเลือดเนื้อนอกจากจะเป็นเพียงแค่วัตถุเท่านั้นแต่ถ้าจาไม่ผิด คุณก็เคยบอกกับพวกเราไว้ว่ากระสุนปืนของพวกเราทุกคนผ่านพิธีไสยศาสตร์ของบุญคำแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองเลยเพราะฉะนั้นฉันขอลองดูสักนัดได้ไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าฉันยิงไปที่ซากพวกนั้นแม่ผมทองถามขึ้นเสียงแผ่วต่ำระพิน้ต้หลังแขนขึ้นเช็ดจมกูกอันเย็นเฉียบของเขาบอกมาว่า กระสุนที่เข้าพิธีแล้วหากกระทบมันตัวใดตัวนั้นก็จะล้มลงแล้วก็จะลุกขึ้นไม่ได้อีกละแบบเดียวกับหุ่นยนต์ที่ชำรุดมนตราอาคมของมันไตรจะสั่งส่งเข้ามาบงการอีกไม่ได้แล้วครับคริสติน่ากระชาก พ, พานท้าย M16 แบบคอมมานโดของหล่อนออกในทันทีกระทับไหลแล้วเล็งไปยังไอตัวที่หล่อนเห็นว่ายือนอยู่ใกล้ทิศทางของหล่อนมากที่สุด ปรับคันบังคับการยิงมาเป็นกึ่งอัตโนมัติแล้วเหนี่ยวไกเสียงกระสุน 5.56 ม ม, มดังระเบิดแหลมแสบแก้วหูเส็เนงไปในทิากทางยานดึกภายในบริเวณหุบเรียงเดียวที่กระสุนนัดนั้นเล่นทะลวงบริเวณรวงอกซึ่งเห็นชิ้นส่วนบางส่วนกระจายแวบออกไปทางด้านหลังเหมือนกระสุนเจาะผ่านขอนไม้ ซากที่ยืนกงโก้เหมือนใครเอางาวไม้มาแกะสลักแล้วนำมาตั้งไว้ในท่ายืนนั้นหงายหลังปึงลงไปกับพื้นในทันทีโดยสภาพอันแข็งทื่อทางร่างท่ามกลางทุกสายตาของฝ่ายมนุษย์ที่เฝ้ามองอยู่ได้ผลคริสตินาร้องลั่นขึ้นในขณะที่ฝ่ายมริการทุกคนฮือฮาขึ้นอย่างพอใจ เสียงแม่ผมท้องร้องตะโกนขึ้นมาอีกว่านั่นนี่คุณห้ามพวกเราทำไมทำไมเราไม่ล้มทำลายมันใช่หมดแล้วในมือปืนของเรามีประสิทธิภาพอย่างนี้พร้อมกันคริสติน่าก็เบนลำกล้องปืนไปยังไอตัวอื่นๆที่ยังยืนเฉยอ ย, อยู่เหมือนจะยิงไปเรื่อยๆแต่รพินกระดรุบมือยึดไว้มั่นด้วยฝ่ามือแข็งกระด้างของเขานี่อย่าทอะไรโง่ง โ, งโดยไม่ใช้ความคิดนะคุณ คุณอยากจะลองผมก็ลองดูแล้วว่าลูกปืนของเราน่ะได้ผลแต่ตราบใดก็ตามที่มันยังไม่บุกเข้ามาคุณจะเสียลูกปืนทําไมแล้วคุณจะใช้ลูกปืนสักเท่าไหร่จึงจะทําลายซาก ข, ของเจ้าพวกนี้ได้หมดสิน้นผมบอกแล้วไงว่ามันออกมาล่อหลอกให้เรายิงจนหมดกระสุนเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นสิคุณถ้ามันบุกก็มาประชิด ต, ตัวนะ่ะค่อยยิงตอนนี้ดูมันไปอย่าไปหลงก้นคริสติน่าชะงักและสงบลงไปได้เพราะคำเตือนของเขา เจ้าตัวที่ล้มไปแล้วสภาพของมันก็กลายเป็นท่อนไม้ไปส่วนเจ้าตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ก้าวเข้ามาแทนที่เหมือนจะรอรับกระสุนจากฝ่ายมนุษย์อีกมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความหวาดกลัวไม่รู้จักเจ็บปวดนอกจากแน่ละจะเคลื่อนไหวปฏิบัติการใดๆลงไปได้เช่นหุ่นยนต์สุดแตกริยาอาคมจะกาหนดสั่งมาประดุดกระแสคลื่นวิทยุเท่านั้น เห็นไหมยิงกไปสิคุณกระสุนของเราทั้งหมดจะไม่มีเหลือคนโง่คนไร้สติจะไม่มีโอกาสรอดพ้นออกไปจากดินแดนแห่งนี้ได้ทำแบบเนี้ยระพินชี้มือไปอยังร่างนั้นพร้อมกับเสียงบอกห้วนกระด้างของเขาอ่ะแล้วนี่จะเอายังไงเนี่ยคุณจะร้อยมันตะลุยเข้ามาซะก่อนนีงไงระพินคิดถามขึ้นอืมใช่ร้อยมันตะลุยก็ามาซะก่อน เดี๋ยวพวกคุณไม่เชื่อผมหรอว่ามันจะไม่เข้ามาอย่างเด็ดขาดเพราะถ้ามันเข้ามาได้มันเข้ามาถึงตัวระหว่างที่พวกเราทุกคนนอนหลับแ ล, ล้วล่ะพระพินเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปมันเล่นแหมาล้อมไว้รอบแบบนี้สเตลลี่เอ่ยขึ้นบ้างอย่างอ่านใจเขาไม่ถูกอย่าเพิ่งตื่นเต้นหรือสนใจมันอะไรกับมันนักเลยครับ ใครจะกินกาแฟจะดื่มบรันดีจะนั่งหรือแม้แต่จะนอนตามเดิมก็เชินะจะไม่เกิดอะไรขึ้นจากการมาของไอ้พวกนี้เลยแต่อาจจะมาในรูปแบบอย่างอื่นต่อไปซึ่งเราจะพิจารณารับมือภายหลังครับระพินตอบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพร้อมกันก็ตะโกนสั่งไปยังคนของเขาทั้งหลายย้ำไม่ให้ใครยิงออกไปแล้วตนเองก็เดินไปรินกาแฟในกาที่แขวนไว้ข้างๆกองไฟ ด้านปลายเท้าที่พักนอนลงในถ้วยพลาสติกแล้วยกขึ้นมาจิบพวกนายจ้างทั้งหลายเริ่มจะคลายความตื่นเต้นตึงเครียดลงได้บ้างแล้วจากอากาศกิริยาของมาคุเทสนำทางซึ่งบัดนี้เขาไม่แสดงว่ามีความสนใจพรั่นพึงอะไรกับไอ้ผีตายซากที่เข้ามายืนหอบล้อมปางพักเต็มไปหมดเหล่านั้นเลยพวกลูกหาและพลานพื้นเมืองทั้งหลาย ที่กำลังยืนตั้งท่าเตรียมประจันบานรับมืออยู่บัตรนี้บางคนก็เริ่มจะนั่งยองๆมองดูโดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นพวกนี้สามารถปรับความรู้สึกได้รวดเร็วพอๆกับเจ้านายจันเกิดเสยกลุ่มลงหาก้อนหินขนาดพอเหมาะมือคว้างออกไปพร้อมทั้งตะโกนไล่เช่าเช่าเหมือนไล่พวกสัตว์เล็กๆที่เข้ามาก่อความราคาญ ส่วนฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเริ่มซุบซิบพูดจากันอเมริกันทั้งหมดยังไม่มีความไว้วางใจอะไรมากนะักก็พูดง่ายนะบอกให้พวกเรานอนกันตามเดิมทั้งๆ ท, ท, ที่ถูกพวกมันเข้ามาล้อมหมดทุกด้านอย่างเงี้ยคริสติน่าพึพรรมพำออกมาแต่ไงไงพวกเราก็อย่าทําอะไรนอกคําสั่งเขาเด็ดขาดนะในสภาพแบบนี้ ไม่มีใครจะรู้เข้าใจอะไรดีไปกว่าคนคนนั้นหรอกเราดูเข้าไปแล้วกันแต่ก็เตรียมตัวไว้พร้อมอย่าประมาทแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มกระพินผู้กำลังยืนจิบกาแฟอยู่ด้วยอาการอันเงียบขึ้นเป็นปกติของเขานี่ไอ้เพื่อนยากนายไม่มีข้อแนะนำอะไรมากไปกว่านี้ได้ไงคิดถามขึ้นพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติ นี่คิดคุณคิดว่าคุณและดอกเตอร์สแตนลีย์พอจะค่อยยังชั่วจากอาการไข้เมื่อตอนหัวค่ำแล้วเหรอแล้วพินถามมาเสียงเรียบๆนายคิดยิ้มแค่นแคนเออถ้ายังไม่หายมันก็จำเป็นต้องหายแล้วล่ะเพราะกองทัพเปรตอสุรกายที่แห่มายืนขอส่วนบุญพวกนี้งั้นนายก็เอาคำพีขึ้นมาอ่านแผ่เมตตาให้กับพวกมัน ขอให้ดวงวิญญาณต้องสาบของพวกมันได้ขึ้นสวรรค์ถ้านายมีคำพีมาด้วยนี่นๆๆนนนฉันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาพูดประชดประชันเล่นแบบไร้สาระนะคุณนายพรานคริสติงด้วยเสียงห้วนกระชากระพินยิ้มให้นิดนึงกระตุกไหลหมือทั้งสองอยังคงประคองถ้วยกาแฟหมุนเล่นบอกมาเสียงต่ำว่า ดังนั้นพวกคุณก็กลับไปยังที่พักนอนแล้วก็เอาย่ามหลังขึ้นติดตัวไว้ได้แล้วนี่คือข้อแนะนำของผมครับทำไมอะ่ะอ้าวก็ฟังเสียงอะไรน่ะสิคุณมันกำลังบ่ายหน้ามาทางนี้แล้วอย่างช้าไม่เกินสิบนาทีมันก็คงจะเข้ามาถึงที่นี่อีกตอนนี้ผมจะไม่ห้ามคุณแล้วละ่ะว่าใหญ่ยิง จะมีก็แต่เตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าถ้ายิงหรือเคลื่อนไหวช้าแม้แต่นิดเดียวเนื้อคุณจะหลุดเป็นชิ้นๆครับเพียงแค่ขาดเสียงของระพินเท่านั้นถูกสูตรประสาทก็แววเสียงชนิดหนึ่งเข้ามากระทบทำให้ต้องหยุดพูดหยุดเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นลงชั่วขณะนอกจากเงี่ยหูเฮ้ยเสียงคล้ายๆพวกหมา มากหรือเกินนี่นายคิดอุทานโผล่ออกมาในความเงียบคอยสะดับเสียงฟังของทุกคนรพินยังไม่ตอบในทันทีแต่สาดกาแฟที่เหลืออยู่ก้นถ้วยลงกับพื้นโยนถ้วยไปกองรวมกับเครื่องสนามสำหรับการหงหาอันวางเกะกะอยู่รอบกองไฟแล้วแงมลูกเลื่อนของเอ็มสบในมือขึ้นขยับดูกระสุนในรางเพลิง จากนั้นก็พลักสวิตช์จากห้ามไกลไปอยู่ในตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติเอื้อมมือไปตบด้านหลังซึ่งมีแมกซีนชนิดบรรจุสามสิบนัดอีกสามแม็กที่ซอ ต, ติดเข็มขัดอยู่ระหว่างนั้นสเตลีก็ร้องบอกเบาๆมาอีกคนนึงใช่ไอ้พวกหมาป่าแน่ระพินคุณควรจะบอกอะไรเราให้ชัดกว่านี้นะสุภาพบุรุษไพร ย, ยิ้มในเงาสลัว ทุกคนมองเห็นฟันขาวบุญคากับจันทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นเอาหูแนบแผ่นดินแล้วเงยหน้าขึ้นร้องบอกพร้อมกันนายมันบายหนะ้าตะลุยมาทางด้านเหนือของเราทำท่าจะมุ่งมาทางด้านที่เราวางตางพักอยู่นี่ฟังออกไหมว่ากี่ตัวเขาถามยิ้มยิ้มเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนทำหน้าหลอกแหลกพูดอะไรไม่ออก ในขณะที่พวกลูกหาบทุกคนเกิดและเซยไหวตัวพลึบกันหมดทุกคนจอมพรานแลไปยังฝ่ายเจ้านายของเขาทุกคนอีกครั้งผมบอกแล้วนะครับว่าไอ้ผีตายซากที่มายืนเ ย, ยี่ยมเยียนเราอยู่พวกนี้มันไม่มีความหมายอะไรแต่อ้ที่กำลังยกมาเป็นกองทัพระดังกึนมานี่สิมีความหมายมากครับพวกคุณเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะครับหมาป่าหิวโหยบ้าเลือด รวมกลุ่มกันตั้งแต่หนึ่งพันตัวขึ้นไปมันจะรุมกัดกินสัตว์ทุกชนิดที่มันพบแม้แต่ช้างหรือกระทิงทั้งโขลงก็ไม่มีเหลือเพราะปริมาณอันมากมายและบุกตะลุยเข้าใส่เหยื่อเป็นทีมเวิร์คของมันชนิดไม่กลัวตายเสียงเห่าหอนเสียงพุ่งพงกิ่งไม้ที่ถูกร ะ, ระลู่แวกทางเข้ามาซึ่งครั้งแรกฟังแว่วแ ว, วมาไกลแสนไกลบัดนี้ แววใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วมันดังปานเสียงพายุและในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครสามารถทํานายถูกว่ามันมาจากไหนมาอย่างไรและปริมาณของมันสักเท่าไหร่แต่ที่รู้แน่ๆก็คือจะต้องมากมายเหลือที่จะขนานนับได้ไมิฉะนั้นทั้งเสียงเห่าหอนทั้งเสียงฝีเท้าวิ่งประดังเข้ามาอย่างรวดเร็วของมันจะไม่ดังอื้ออึงถึงขนาดนี้ เสียงรบพินประกาศกับนายจ้างของเขาต่อไปโดยเร็วแต่และตัวมีเชื้อบ้าทั้งนั้นหมายถึงโรคกลัวน้ำเพียงแค่ถูกมันกัดเป็นแผล น, นิดเดียวเชื้อก็จะเข้าร่างกายต้องฉีดวัคซีนแล้วแต่และตัวของป่าดงดิบดงดำแห่งนี้ขนาดเท่าอันซีเชียนสิบหรือสิบยี่สิบตัวจะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้าสองสาพันตัวขึ้นไปมันไม่เคยกลัวอะไรเหมือนกันสัตว์ทุกชนิด ถ้าหนีไม่ทันจะเหลือแต่เพียงกองกระดูกเหมือนตกลงไปกลางฝูงของปลาปิรันย่าอย่ามัวถามอะไรยอยู่อีกเรามีเวลาไม่มากนักทุกท่านขอได้โปรถอยไปที่โคนต้นไทรเดี๋ยวนี้ประโยคสุดท้ายเขาตะโกนลั่นสตตลลีคิดอิสเบลคริสตินา่าและเชิร์ตวุฒิพะวาขึ้นกับเสียงที่เกือบจะเป็นตะหวาดลั่นปากของเขา ก็ยังไม่มีใครถอยและในกลุ่มนั้นก็มีใครคนหนึ่งที่ดูเหมือนเพิ่งจะสังเกตอะไรขึ้นมาได้ร้องถามว่า ส, ส, สัมภาระส่วนใหญ่ของเรานี่มันหายไปไหนหมดโนนคนผอผมเตรียมมาไปแอบซ่อนไว้ตรงโคนไซที่เราจะหลบอยู่ทั้งหมดแล้วเขาตอบด้วยเสียงกระชากทั้งห้าคนยังภาวะผว า, วาอยู่เสียงป่าแตกสนั่นใกล้เข้ามาทุกที พวกพรมพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหมดกระจายกันออกไปยืนอยู่ตามกองไฟเกิดกระเสยแล่นเข้ามาหมายจะต้อนพวกนายจ้าให้เข้าไปยังโคนต้นไซใหญ่ที่หมายตากําหนดไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่มีใครยอมเชื่อฟังอิสเบรและคริสตินา่าซึ่งเป็นผู้หญิงสองคนถูกเกิดกระเสยเข้ามาคว้าแขนกระชากกลายเป็นควายถูกผลักเสยออกไปไล่พวกเราก่อนทําไมทําไมเราจะปักหลักช่วยกันปะทะมันก่อน ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะถอยไปยึดต้นไม้ใหญ่นั่นเสียงคริสติน่าแพรตะโกนลั่นไม่ยอมพระจากที่เดิมซ้ำยังเอาปากกระบอกปืนเหวี่ยงเกือบถูกหน้าเจ้าพราหนุ่มทั้งสองดีแต่ก้มหัวหลบทันรพินไม่สนใจอะไรอีกแล้วพุ่งปราดออกไปยังตำแหน่งที่พวกลูกหาบของเขากำลังตีวงล้อมปางพักอยู่ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไอ้ผีตายซ่าที่แลเหนยืนไายล้อมอยู่เหล่านั้นพากันเคลื่อนไหว โดยวิธีเดินถอยหลังห่างหายรับตัวเข้าไปในป่าเหมือนจะเปิดโอกาสให้แก่สิ่งที่เข้ามาใหม่ทำหน้าที่แทนและชั่วไม่กี่พริบตาไอ้พวกมัมมี่เหล่านั้นก็รับหายออกไปหมดส่วนพลุไฟที่เชิดวุฒยิงให้ปรากฏแสงสว่างเอาไว้ก็หมดเชือ้อรีโรยดับแสงลงทุกสิ่งทุกอย่างนอกบางพักออกไปกลายเป็นความมืด ตามเดิมไตลีออกคำสั่งกับฝ่ายของตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวเตรียมพร้อมช่วยพวกเขาปะทาหน้ารับมือกับมันไว้ก่อนแต่ถ้าจวนตัวเห็นจะต้านไม่ไหวอีกต่อไปให้ทุกคนวิ่งปีนขึ้ น, นต้นไม้ต้นนั้นแล้วระดมยิงลงมาทั้งห้าคนกระจายกันออกไปในทันทีเชิดบุตรแลนจะตามหลังไปทางกระพินแต่บุญคำโดดเข้าล็อกคอไวร้องบอกเสียงหลง นายทหารปลอดภัยไว้ก่อนแล่นไปที่โคนไม้นั่นในภาวะเช่นนี้เชิดบุตรไม่ฟังเสียงซะและเขารูปร่างใหญ่โตแข็งแรงกว่าบุญคำมากนักสลัดทีเดียวตะเท่าก็กระเด็นหลุดไปบุญคำกลัวตามหลังไล่จะตะครุบตัวแมมคริสซึ่งพุ่งออกไปอีกด้านหนึ่งแต่ก็ตามไม่ทันเพราะหล่อนทลาไปยึดไว้ที่ตอไม้ใหญ่ริมกองไฟอันนี้อูทะพระโต้ ประทับปืนรอคอยอยู่มากแกจะร้องเตือนอย่างไรไม่มีใครฟังเสียงเบลเองก็เล่นตามหลังจันไปทุกคนดูเหมือนจะพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่อันกำลังจะเข้ามาถึงทุกขณะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการคิดอย่างเดียวแต่เพียงไม่ต้องการให้รับพินและฝ่ายของเขาต้องรับหน้าที่นี้ตามลำพังซึ่งมันผิดกับข้อตกลงที่ซักซ้อมกันไว้ก่อนแล้วหัวหนะ้าคณะและคิดเอง ขณะนี้ก็พยักหน้าให้กันแยกไปดักรออยู่อีกด้านหนึ่งโดยคุมหลังฝ่ายของนายตากไว้ทุกคนฝ่ายนายจ้างอาจจะมีความกล้าหาญและแสดงถึงน้ำใจจริงในข้อที่จะไม่ยอมทอดทิ้งฝ่ายรันนำทางแต่ประมาณการผิดไปซะแล้วและในเวลาเช่นนี้ระเพนเองก็สุดที่จะมาอธิบายขอร้องอะไรได้อีกป่ารอบด้าน นักบัตรนี้ระ ง, งมไปหมดแล้วด้วยสำสำเนียงเห่ากันโชคอย่างดุร้ายและแผ่นดินสะท้อนสะเทือนพุ่งพงไม้หักลูกเป็นการพุ่งเข้ามาเร้ากับกระแสน้ำเชี่ยวและรวดเร็วเหลือเกินเร็วประหนึ่งพายุพระการจากใหสัตว์สีเท้าปราดเปรียวว่องไวนับจำนวนไม่ท่วนยิงพลุไฟทุกด้านเสียงสไตลีสั่งการเราขับอยู่ในสนามรบ มีเสียงระเบิดของพลุไฟดังขึ้นเกือบจะพร้อมพอมกันจากมือของใครต่อใครบ้างไม่ทราบได้และประกายแสงโช่อดุ่งก็ขับไล่ความมืดกลายเป็นสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งภาพที่เห็นทุกคนแทบช็อกสีดำบ้างเทาบ้างตัไม่ได้และเคลื่อนไหวเร็วเหลือเกินพลุผ่านพงไม้ออกมาทุกทิศ พร้อมกับดวงตาที่ปะทะแสงไฟวาลจ้าและกรงเขี้ยวที่เสียแข็ขาวลางหไม่สามารถจะแยกได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนปืนทุกระบอกระเบิดขึ้นพร้อมๆกันดังเหมือนนรกถูกสายอัศนีบาดฟาดหูดับทุกคนยิงยิงอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กระสุนจากปืนประเภทลูกซองดูเหมือนจะได้ผลที่สุด เพราะจนวนแรกที่โผล่้ามาบ้างก็ล้มฟุบบ้างก็เด็นบ้างก็ดิ้นวนหมุนปัดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะหยุดมันได้ให้พวกที่ประดังตามหลังเข้ามาเห็นผลข้ามซากเพื่อนเพื่อนเข้ามาอย่างไม่ยันระพินครั้งแรกยิงทีละนัดแต่แล้วก็เหลือกำลังเหลือความสามารถของเขาใะแล้วผลักสวิตเป็นฟลูออโต้แล้วก็กดคราดเข้าไป เสียงลัวหูดับตับใหม่เลือดของพวกมันกระจายว่อนบางตัวขาหรือหัวขาดในขณะที่กระโจนเข้ามาอย่างกระเฮี้ยนกระหือจอมพรานยิงชุดแรกหมดแม็กล้มเกลื่อนและเทะอยู่ในบริเวณเบื้องหน้าของเขาห่างไม่เกินสิเมตรแม็กเต่าทิ้งกระชากแม็กสำรองใหม่จากด้านหลังขึ้นมาบรรจุอีกบาทตะกรนสุดเสียงทอย ทุกคนถอยเร็วที่สุดรับมันไม่ไหวแนะ่ถอยไปขึ้นต้นไม้เดี๋ยวนี้เสียงของระพินไม่ดังไปกว่าเสียงปืนระบักนี้มันแท่รังงมไปหมดแล้วและอาจมีใครต่อใครตะโกนร้องโวยวายอย่างใดอีกก็ไม่มีใครคนอื่นรู้เรื่องการยิงในขณะนี้เป็นการยิงแบบอิสระคือใครเห็นภัยใกล้ตัวที่สุดก็ยิงไปยังตำแหน่งนั้น เสียงหัวประสุนทะลุทั้งตัวไอ้พวกหมาป่าบ้าเลือดอยิ้ยห้อยเหล่านั้นและกระทดกิ่งไม้หวีดหวิวบางนัดก็เฉียวพักพวกเดียวกันเองอย่างน่าหวาดเสียวขีดสุดระเบิดคราวนี้เป็นเสียงไนายขีดที่แหวความโกลาหลชุนลมุนขึ้นมีเสียงตูมขึ้นแล้วประกายไฟแลบสว่างแดงฉานยังตรมที่พุ่งเข้ามา ก็ลุกฮือกระจายไปเต็มตัวไอ้หมานรกพวกนั้นเพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายมนุษย์ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของมันและหนีกระเจิงกระเจิงทุรนทุรายไปในขณะที่ไฟจากเชือเ้อเพลิงอันแรงรีลุกเผาไหม้เต็มตัวไปด้วยทําให้ทางด้านที่คว่างระเบิดออกไปนั้นชะ ง, งักลงชั่วขณะและเกิดเป็นไฟลุกไหม้ติดพงไม้อย่างน่ากลัวว่าจะลุกลามเข้ามาเป็นอันตรายต่อฝ่ายมนุษย์เข้าเอง คริสและเบนก็ยิงยิงจนกระทั่งหมดนมะกาซีนเช่นกันและเริ่มจะใช้ระเบิดเพลิงในรูปร่างของทันไฟฉายคว้างสกัดกันก่อให้จุดเพลิงไหมติดป่าสดๆขึ้นมาแทบจะรอบดิบที่เห็นมันกระโจนเข้ามาใกล้พักพวกที่สุดเท่าที่เขาจะมองเห็นเชิดวุฒนั้นเลือกยิงไปทีละตัวที่เห็นมันกระโจนเข้ามาใกล้พักพวกที่สุดเท่าที่เขาจะมองเห็น ส่วนคิดกับสตาลีเพิ่งจะรู้สึกตนเดี๋ยวนี้เองว่าไรเฟิลล่าสัตว์ขนาดใหญ่ของตอนเองที่ถืออยู่ไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพราะยิงได้แต่เพียงนัดเดียวเท่านั้นที่มองเห็นกรงเขี้ยวขาวของไอหมานารกพุ่งเข้าใส่อย่างกระชั้นชิดซะแล้วถึงกับต้องพลาออกวิ่งทิ้งไรเฟิลกระชากปืนพกมาถือไว้มือนึงอีกมือนึงกำระเบิดไว้แล้วช่วยกันคว้างโดงออกไปในป่าห่างออกไปทางด้านหลังเพื่อหมายใจริดของระเบิดเพลิง เป็นม่านไฟป้องกันไวจากไอ้พวกกองทัพหมาผีเหล่านั้นจันเกิดและเส่งวิ่งวนไปรอบๆยิงด้วยลูกซองไปพลางอย่างคนฉลาดในการล่าและฉลาดในการที่จะเอาตัวรอดหลายต่อหลายตัวที่ฝากกระสุนปืนของฝ่ายนายจ้างเข้ามาได้และเพนพรวดเข้ามาถึงแคมป์ ถูกกดด้วยกระสุนลูกซองแดดิ้นไส่ไหลหัวเละอยู่กลางปางพักแต่สถานการณ์มันก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมากนะักเพราะปริมาณของพวกมันที่ทุ่งเทก็มายังหน่วยกล้าตายไฟที่ถูกไฟไอที่ถูกไฟคลอกตายหรือลงชักดิ้นชักงอแลน่นหนีไปก็ส่วนไอที่ยังไม่โดนอะไรเลยก็วิ่งกระโจนพุ่งเข้าใส่ตัวที่เจ็บหรือตายเท่านั้นที่จะพละั หรื อ, อยุติสภาพการโจมตีลมเจ้าพรานพบกับความหนักใจขีดสุดนับตั้งแต่เผชิญกับเหตุร้ายทั้งหลายมาสาเหตุก็เนื่องมาจากฝ่ายนายจ้างไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งเขาแต่แรกที่ให้ถอยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก่อนจึงทำให้เกิดความภาวะผวาหวา่วงหน้าพววงหลังไปหมดไหนจะคอยยิงปะทะไวาเบื้องหน้าไหนจะหันไปตรวจ ด, ดูตามจานวนบุคคลฝ่ายนายจ้างที่แยกกันออกปะทะกันคนละด้าน ซึ่งในเวลาอันฉุกละหกนั้นยังไม่สามารถทราบได้ว่ามีใครได้รับอันตรายเช่นใดบ้างหนักไปกว่านั้นสภาพของการยิงก็กลายเป็นเผาขนประจันบานเลเสี่ยงอย่า ง, งที่สุดต่อการที่ลูกปืนของฝ่ายเดียวกันจะมาโดนกันเองเข้าเพราะตัวเขาเองแทๆ้ๆก็ยังรู้สึกว่าลูกเ1็มผ่านหัวและซอกคอไปหลายนัดไม่รู้จักฝีมือใครบ้างทําไมเบลก็พมคริสหรือเชิดบุตร ซึ่งใช้อาวุธประเภทนี้อยู่สำหรับประเภทลูกซองก็น่าเป็นห่วงที่สุดเหมือนกันโชคดีอยู่บ้างที่คนของเขาทุกคนรู้จักทิศทางของวิถีกระสุนสเตตดีและสามารถจะควบคุมมุมยิงไว้ได้แต่เท่าบุญคำและจันนั้นถึงกับกระชากดาบเดินปาออกมาแล้วตัวไหนที่ทั้งสองคิดว่ายิงแล้วเม็ดลูกร้ราอาจไปหูไปถูกพักพวกกันเองทั้งคู่ก็กวาดแกว่งดาบเข้ารมรัน ฟันกระนำหัวเละขาขาดกระจุยไปสตาลีกับคีดนั้นยิงด้วยปืนสั้นในระยะประชิดระเด็นฟุบไปได้สองสามตัวไอ้ที่เหลือและบุกเข้ามาถึงโดยไล่หลังเพื่อนของมันที่ตายไปก่อนแล้วก็พุ่งเข้าหาหมายขย่ำกรงเขี้ยวเข้าคอหอยหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลีย์ยกแขนขึ้นรับไว้มันกัดกระชากจนเสื้อแจ็คเก็ตฟิลบริเวณแขนขาดกระจุยและนักไปอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งคมเขี้ยวเข้าถึงถึงไหนสตาลีร้องลัน่นเชิดพุธหันมาเห็นเข้าแว่งปากกระบอกปืนควักจะยิงรับพินก็กระโจนเข้าตะครุบ ป, ปืนกดไว้ก่อนที่นายทหารนุมจะทันเหนียวไกเพราะเกรงว่าทั้งไอหมานรกและทั้งสตาลีจะพลอยเละไปด้วยกันและบัตรนั้นเองจันก็ควงดาบเข้ามาขณะที่สตาลีลม้ลมลงไปแล้วกระนำฟันฉวลดลงใบกลางสันหลังขาดกลาง เลือดพุ่งกระชุ่มเหลือใต่จยูเฉพาะเนื้อบริเวณหน้าท้องแต่กระนั้นปากมันก็ยังไม่ยอมปล่อยจากแขนของสตตลลีผู้สะบัดและทีบอย่างแรงจนบุญคำต้องวิ่งข้ามาอีกคนเสือกดาบเข้าไปใต้คอของมันงัดเจ๋ยขึ้นขาดไปร่องแรงขึ้นมาพร้อมกันแกก็ไป ต, ตัวมันกระเด็นหลุดพ้นจากการคล่อมในห้างใหญ่ออกไปแล้วหิ้มแขวอเมริกันเอาโสกระชากขึ้นมาหนขึ้นตน้นไม้ ไม่อยากตายฮะแก่มีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนกรอกูสุดเสียงแล้วผลักสไตลีหัวสุนใบพร้อมกับประคองไปพาวิ่งหัวหน้าคณะบัตรนี้รู้สถานการณ์ของตนเองแล้วห่อแนบรงไปที่โคนต้นไทรทันทีซึ่งพวกลูกหาบส่วนใหญ่และคิดทากันไปอออยู่ก่อนแล้วเชิดบุดเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกระพินฉุดให้ลุกขึ้นมาและใช้วิธีถีบหลัง เด้งไปแทนคำร้องเตือนเพเห็นว่าการใช้วาจาไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วนายตาบกับสื่อก็ทำงานประสานกันได้ดีมากช่วยกันเข้าชุดกระชากเชิดวุฒต่อจากเขาไปแล้วนำเลี้ยวไปที่โคนใสโดยเร็วเบื้องซ้ายมือของเขาเสียงเ1็มยังดังรัวอยู่เป็นชุดชุดชุดละส่ห้านัดพี่นั่นเขาเหนุ่มคริสติน่ากำลังสาดกระสุนเข้าใส่หมาป่าดาสนิทฝูงใหญ่เจปตัวที่กระโจรทําม มันพริกกระจัะกระจายตีลังกากลางอากาศมานอนแทกไถอยู่กับพื้นคริชไ อ, อจําได้ว่าเขาร้องสุดเสียงออกไปเช่นนั้นหลอนตะโกนบอกมกักตะก้องเช่นกันเบลถูกไล่ไปทาง น, น้นช่วยตามเร็วจอมพรานใจหายวับขยับตัวและบัดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดตูงขึ้นอีกครั้ง ระกายไฟสว่างโผลนขึ้นในดงทึบซีกที่คริสตินาชี้บอกพร้อมกับเสียงร้ององ์เองของไอหมาพวกนั้นนั่นคงจะเป็นเบลแน่โดงอาจากขณะข้ามาที่ประตูแต่รานี้คนเที่ยวไต่งไปตามลำพังใช้ระเบิดคว้างสกัดไว้แล้วก็มีเสียงปืนเอ็มสิบอกรัวอยู่อีกด้านนอกอีกชุดยาวสนันวันไหวระวินเพ่นดยานออกจากที่ผ่านหลังคริสตินา และในขนาดที่ผ่านนั่นเองก็มีไอ้หมาตัวหนึ่งแหวกงเข้ามาได้กำลังประโจนก็ใส่แม่ผมทองทางด้านหลังขนาดของมันเราก็หมาเกรดเดนสีดำสนิทไปทั้งตัวกระผินปากปืนตามป ล, ปล่อยพลวดเข้าไปพืบนหนึ่งความเร็วของมันพวกจี้แย่เคี้ยวเข้ามาทำให้หัวทิ้น3มสี่ทอดและทะลายลื่นขาดใจตายอย่างเฉียบ พ, พลันแต่ก็ชนเอาขาด้านหลังของคริสติน่าเข้าพอดี มันเพนตัวลอยไปข้างหน้าแววนปากกระบอกปืนมาทางเขาแต่ก็ยังไว้ทันปากยังร้องละล่ำละลักเบนเบนไปทางโน้นเร็วเข้าฝูงใหญ่ทีเดียวตามเขาไปเกิดแน่ตามหลังรพินมาติดๆในขณะนั้นพรานใหญ่ร้องเร็วหรือแทาไม่เป็นภาษาคนเอาแมมครี๊ซึ่งก้อนไม้เดี๋ยวนี้ฉันจะตามไปเองบอกพวกเราให้ต้อนนายจ้างขึ้นต้นไม้ให้หมดและพวกเราทุกคนขึ้นไปด้วยไม่ต้องห่วง คริสทำท่าจะแล่นตามหลังเขาแต่เกิดตะวัดแขนล็อกคอคราวนี้ใช้พลังเต็มที่กระชากจนไหนแม่มไปก็เกิดในห้างใหญ่ถูกเขี้ยวของมันก็คนหนึ่งแล้วว่าพลางเจ้าพรานเด็กหนุ่มของเขาก็ลากตัวคริสถูลูดถูกลกกกางให้ถอยไปรวมกับพักพวกที่คอยดันทรงก้นพวกนายจ้างทั้งหลายให้ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ยิงช่วยพวกเราลงมาใครคนหนึ่ง ในบรรดาพรามของระพินร้องบอกแกพวกนายจ้างที่กําลังชุลมนุษยุลเกแทบจะควบคุมสติไม่ได้อยู่เหล่านั้นระพินไม่มีโอกาสที่จะหันกลับมาดูพักพวกข้างหลังได้อีกแล้วเพราะได้ยินเสียงเบนร้องเสียงหลงอยู่ในดงด้านที่คริสติน่าชี้บอกเขากระชากแถบนิรภัยของระเบิดเพลิงออกมาแต่ยังไม่กล้าคว้างนําหน้าเข้าไปก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าสเกตเจลรี่ของมันจะปลิวไปถูกตัวเบนในขณะนี้เข้าหรือไม่ จะยิงก็ไม่กล้ายิงจึงได้แต่ตะโกนเรียกแล้วบุกตะลุยเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตเขาไม่แน่ใจว่าบัตรนี้แม่ผมแดงเนื้อจะหลุดออกไปแล้วกี่ก้อนเนื้อหนังมังสาที่ยั่วกวามของผู้ชายแต่ยววั่วควาหมหิวกระหายของฝูงไอหมาป่านรกพวกนั้นเบลผมกําลังตามมาได้ยินตอบด้วยตอบด้วยเขาร้องไปพลาง แล้วคอยยิงไอ้ตัวที่คอยกระโจนเข้าโจมตีทั้งด้านข้างทั้งซ้ายและขวาชนิดแทบจะแย่ถึงปลายถึงปากแล้วเหนียวไกลกันทีเดียวฉันอยู่นี่แระพินไฟมันลุกไหม้ป่าล้อมฉันได้หมดแล้วทั้ง3ด้านเหลือด้านหลังอยู่ด้านเดียวเดแต่วพวกมันกํำลังจะเข้ามาทางด้านนี้เสียงแหลนกรีดร้รองตอบเข้ามาดังไม่ห่างออกไปนะักแต่ห่างจากบริเวณแคมป์พักออกมามาก นนอย่าใช้ระเบิดมืออีกมิฉะนั้นคุณจะถูกไฟคลอกทันจ้ายิงมันไว้ผมกำลังจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วก็อย่ายิงมาทางด้านผมอมกะ บ, บอกไปเช่นนั้นยอมผ่านเล่นตะลุยแหวกวงพงไปยังตำแหน่งที่เห็นไฟไหม้สว่างโชนอยู่ส่วนด้านหลังเขาก็ยังเป็นบริเวณแคมป์พักเสียงปืนยังไม่สา่งซาลงเลยคงดังอยู่ที่ยิบ ลูกซองและ M16 สลับไปกระเสียงระเบิดเพลิงชนิดย่อส่วนซึ่งแน่ละเชิดบุตรคีตและคริสคงจะกระนำออกไปรอบทิศเพื่อเป็นฉากไฟกั้นในพวกมารนรกเหล่านั้นไว้เนื่องจากพวกมันหนุนเนื่องกันเข้ามาจนเกินกว่าที่จะยิงได้ทันการใช้ระเบิดเพลิงกันอย่างตะลุมบอลเช่นนี้น่ากลัวอย่างยิง่งที่ป่าดิบดงดําทั้งป่าบริเวณนั้น อาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงได้แต่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองและหมู่คณะให้พ้นจากกรงเที่ยวของไอ้พวกหมาโหดทั้งกองทัพเหล่านี้ไว้ก่อนและเท่าที่เขาเห็นแซลลีก็ถูกกัดเข้าไปคนหนึ่งแล้วแม้จะไม่สาหัสจากบาดแผลแต่หัวหน้าคณะก็ตกอยู่ในห่วงอันตรายจากพิษโรคตัวน้ำแล้วโดยตาแหน่งเปลวไฟที่ลุกไหม้ป่าอยู่เบื้องหน้ากระพินบุกตามเข้ามา สภาพที่เขาเห็นอิสเบนนั่งพิงปลวกเตีเตย้ยลูกหนึง่งปืน m 1็ประจำมือคงกระสุนหมดแล้วแม้แต่กระสุนสำ่รองเพราะเห็นพิงอยู่ข้างๆตัวในมือมีแต่ปืนพกหน้าขาวซีดกระทบแสงไฟที่ลุกไหม้ฮืออยู่รอบแท่รอบทิศจากระเบิดพลึงของตนเองตาเบิอกว้างเสื้อกางเกงที่ใส่อยู่ขาดวิ้นไม่มีชิ้นดีกาลังจ้องปืนไปทางด้าน ที่ไฟยังไม่ติดต้นไม้และเขาก็บังเอิญเข้ามาทางด้านที่ไฟกำลังลุกอยู่พอดีให้ร้อนระอุ ข, ของมันไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่เป็นไฟแบบนาปามย่อส่วนทำให้ต้องพังงะไม่สามารถจะบุกฝ่าเข้าไปได้มองเห็นกันอยู่ในระยะสิบเมตรท่ามกลางพุ่งไม้สดที่กำลังถูกเผาไหม้ฮืออย่างน่ากลัวกายของเบนสันเทามือที่ถือปืนสั้นนั้นเขาไม่แน่ใจว่าจะยิงอะไรได้ถูก เพราะมันสั่นเป็นเจ้าข้าวแบบนั้นแล้วบัตรนั้นเองขณะที่เขากําลังมองหาลู่ทางหลีกเลี่ยงจากฉากไฟเพื่อจะเข้าไปให้ถึงตัวก็ปรากฏเงาดําปราดเปรียวของไอ้ตัวหนึ่งโดดแถวจากหลังปลวกขึ้นไปยืนจ้องอยู่บนยอดปลวกนั้นมันกําลังจะกระโจนลงมาทางศีรษะเบื้องหลังของหล่อนผู้นั่งถือปืนจ้องไปข้างหน้าโดยไม่สำเนีจถึงไฟจากเบื้องบนของตําแหน่งที่ไปนั่งอยู่ ระพินตะวัดปืนยิงแรวในมือขึ้นแล้วเนียวไกทันทีรัวห่มมันรัวสนั่นฝ่าปเาปลวไฟที่ลุกไหม้ออกไปชุดหนึ่งผงไม้เหนือสีรษะของเบลขาดไปว่อนพร้อมกับร่างของเจ้าหมาพันโฮที่สุดแทบจะขาดเป็นสองท่อนเช่นกันลอยละลิว้วลนพลักลงมากองอยู่ตรงหน้าของหลอนเลือดและเครื่องในบางส่วนของมันกระจายเรี่ราดลงมาบนศีรษะของหลอน แม่ผมแดงร้องออกมาแท่ไม่เป็นภาษาเห็นยืนขึ้นระพินหลอนร้องเรียกเขาด้วยเสียงของคนที่หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ขีดสุดอยู่ที่นั่นเบลยังหาทางก็ไปเดี๋ยวนี้ระวังข้างหน้าไว้เข้ามาเมื่อไหร่ ย, ยิงอย่าทัานให้มันกัดได้แล้วเ็าก็วิ่งอ้อมเลาะให้พ้นจากบริเวณไฟที่กำลังลุกไหม้รุนแรงเป็นแถบแนวยาวร่วม10เมตรขึ้นอ้อมไปอีกทางหนึ่ง หลังก็กูตะโกนเรียกให้เสียงไปทุกระยะป้องกันแม่หลอนเข้าใจผิดแล้วยิงสวนออกมาเกือบสามสี่นาทีตต็มเต็มกว่าที่เขาจะหาทางอ้อมเข้าไปจนถึงร่างอันยืนถือปืนสั้นสันเทิมของแม่ผมแดงได้พอเห็นหลอนก็โผก็มากอดเขาไว้ทั้งตัวร้องไห้โฮออกมาดังๆอย่างควบคุมสติไว้ไม่ได้กระพินตบหลังแรงเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมา คุณไม่เป็นนายแล้วเบนไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรยช่วยช่วยช่วยช่วช่วยฉันด้วยช่วยด้วยหล่อนดาล่ำละลักอยู่เช่นนั้นชุ่ยอยืนดียังไงเล่ามุดแหกปากนาทีที่ทระพินตะหวาดกรอกหูหล่อนดังสนั่นเบนได้สติหยุดเงียบกริบไปทันทีเขาก็เย่าตัวหล่อนแรงๆเหมือนจะปลุกประสาทอีกครั้งแล้วถามเสียงปกติลงถูกมันกัดหรือเปล่า มไม่ไม่ไม่มัมมมม Mic Mic. มมนพยายามจะขยั่นฉันแต่ถูกเสื้อผ้าขาดไปหมดแล้วไม่ถูกเนื้อโชคดีหัวหน้าคุณ่ะถูกมันขยั่นเข้าไปแล้ว <c> โอ้พระเจ้าอิสเบลอุธานเสียงสัน่นและแค่ไม่ทันจะขาดเสียงของหลอนเท่านั้นรระพินก็ปาดอ็สกสั้นแบบคอมมานโดที่ถืออยู่ในมืออีกข้างหนึง่งกลับไปทางด้านที่เขาเล่นเข้ามา เหนียวไก้ปล่อยพืชออกไปอีก 3-4 นะี่นัดในความมืดเช่นนี้ยวงแสงของกระสุน 5.56 ากม ม, มจากลำกล้องสัน้นแลบสว่างยาวเป็นวาสองตัวขนาดกำลังไวที่พุ่งปราดเข้ามาทางช่องทางนั้นกระเด็นหงิกหงอไปคนละทางก่อนที่จะกระโจนถึงคนทั้งสองอันยืนภาวะรวังกันอยู่ขนาดนี้ไปเร็ว ร้องบอกสั้นๆแล้วก้มวูบลงหยิบ M16 ของหล่อนที่วางทิ้งกับพื้นมาส่งคืนให้เจ้าของเอา้านี่ปืนคุณทิ้งทำไมอ่ะกระสุนชันหมดหล่อนบอกในการสำลักจอมพรานกระตุกแม็กซ์สำรองที่ขัดหลังเขาอยู่ออกมาโยนส่งให้อิสเบนดูเหมือนจะได้สติกกลับคืนมาพร้อมมูลอีกครั้งเมื่อมองเห็นเขากาลังใจอันระสำรสายกระเจิกระเจิงของหลอนสามารถควบคุมได้แล้ว ปลดแม็กเก่าทิ้งยัดแม็กใหม่เข้าไปแล้วกดคันล็อกลูกเลื่อนเดินหน้าบรรจุกระสุนพร้อมสุาพบุบุษไพรกระชากแขนให้วิ่งย้อนกลับออกมาทางเดิมซึ่งเป็นทางเดียวที่จะเคลื่อนไหวไปได้ตามผมมาระวังทิศทางลูกปืนคุณด้วยอย่ายิงถู ก, กผมเข้าแล้วกันโอเคทั้งสองออกเล่นตะลุยฝ่าไปตามพงที่ยังไม่ถูกไฟไหม้พยายามที่จะหาทาง สู่บริเวณแค้นซึ่งบัดนี้จากพลุไฟและระเบิดเพลิงที่พักพวกช่วยกันระดมยิงและคว้างเอาไว้ปรากฏเป็นม่านไฟลุกลามไหม้หือขึ้นอย่างรวดเรงปรุมฟันขมวงไปหมดท่ามกลางไออันร้อนแรงดูเหมือนว่าจะหาทางเข้าไม่ได้ขณะเดียวกันเสียงรัวเป็นชุดทีของ N16 แต่เสียงระเบิดของลูกซองก็งยังดังระ ง, งมอยู่ณบริเวณอันเป็นตำแหน่งปางพัก ส่วนเสียงเห่าหอนกันช่อคูคำรามและเสียงวิ่งพล่านรอบปากของพวกเจ้าหมาปากกระหายเลือดเหล่านั้นก็ยังดังอยู่สะเทือนดงดูมันเป็นกะลียุคไปหมดเป็นไัยเฉพาะหน้าห น, น้าสยดสยองโกลาหลซะยิ่งกว่ากองทัพชาญหรือสัพสัตชนิดใดบุกเขาเล่นงานมาก่อนทั้งสิน้นในชีวิตพจนภัยในดงลึกของเขาสิ่งที่จะต้องพวงอยู่ในขณะนี้ก็คือ ระวังตนเองไม่กลุ่มไอหมาป่าบ้าเลือดที่กระจายวิ่งพลานไปในป่าในขณะนี้ผลเขาเล่นงานถึงตัวชนิดธบุเข้าใกล้เมื่อไรก็ต้องยิงให้ทันการส่วนอีกข้อหนึง่งที่เลวร้ายไม่โดยไปกว่านั้นก็คือม่านกระสุนของพวกเดียวกันที่ระดมยิงไอ้หมาพวกนั้นกันอย่างไม่นับเท่าๆกับไม่รู้ทิศทางแน่นอนว่าทั้งเขาและเบนอยู่ในมุมใดดังนั้นทั้งเม็ดลูกปลายของกระสุนลูกซอง และทั้งหัวกระสุนอันแหลมคมของ M16 ยิงพุ่งวีดวิวตัดกิ่งไม้ใบพรึกอันหนาแน่นโชว์ผ่านร่างกายของคนทั้งสองไปอย่างน่าวาเสียงที่สุดพักพวกทุกคนยังคงยิง ย, งยิงยิงอย่างไม่ยังยิงเพื่อหยุดและสังหารทุกตัวที่มันบุกทะลวงเข้าไปถึงบริเวณพักและในความสับงสนอลลามานเช่นนี้ยากแต่ละคนอันกาลังกระนำยิงอยู่เหล่านั้น ยัมาคอยระมัดระวังอยู่ได้ว่าอีกสองคนฝ่ายเดียวกันที่หลุดรอดออกไปอยู่นอกเขตขนาดนี้จะเข้าสู่แนวลูกปืนของใครบ้างหรือไม่ดังนั้นระหว่างที่ทั้งระพินและเบลพากันวิ่งตะลุยปา่าเพื่อหนีภัยจากโครงเขี่ยวอันกำลังไล่ล่าฉีกเนื้อหนังมังสาอยู่ในขณะ น, นี้ถึงมีภัยอันแสงจะน่าคลัวอีกชนิดหนึ่งเข้ามาร่วมด้วย หลบลูกปืนน่ะหลบไม่ได้แน่เพราะไม่รู้ว่ามันจะจับพลัดจับผูกเข้ามาชนตัวเอาเมื่อไหร่แต่ที่เห็นเห็นก็คือกิอ่งไม้ใบไม้ที่วิ่งซอกแทรกหลบกันไปขาดกระจุดกระจายอยู่เป็นฝอยและบางกิ่งที่ไม่ใหญ่โตอะไรนักถูกลูกปืนตัดขาดล้มฟาดอยู่ระเนระนาดโว้ยอย่ายิงมาทางนี้โว้ยรพินตะโกนออกไปยังปราศจากความหมาย นอกจากจะเกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณป้องกันชีวิตเพ ร, ราะกระสุนนัดหนึ่งปลิวในลักษณะเฉแลบถากแก้มเข้าไปจนร้อนฉีไม่เป็นทางเท่าๆกับพี่เบนเองก็ร้องจ๊ะเพราะถูกปลายลูกปลายเม็ดหนึ่งจากกระสุนดับเบิลโอบักระทบเข้าที่ต้นแขนถึงกระส่วนศีโชคดีอยู่บ้างที่มันคงจะผ่านสิ่งอื่นและหมดกาลังที่จะทะลุทะลวงลงละจึงเพียงแต่ลักหล่อนให้ตะแขงลู่ไป ไม่สามารถจะทะลุเข้าไปทําอันตรายฝังเข้ามในร่างกายได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนเอาลูกตะกัวใส่ในหนังสติกยิงห่อเลือดเป็นจ้าไปทีเดียวฉัน ถ, ถูกกระเม็ดนึงแล้วราวินหล่อนร้องอย่างตกใจยอมพลันหันตัดมาตะครุบร่างที่กําลังจะล้มของหล่อนไว้ทันปากร้องถามว่าโดนเข้าตรงไหนแต่พออีกชุดหนึ่งของเอ็มสิตัดยอดผมกระจายไล่ามาเป็นลําดับเขาก็กระชากร่างของหล่อนลงไป นอนล้มกลิ้งอยู่ด้วยกันซึ่งพอเบียงทิศทางลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นเท่านั้นกิ่งไม้ขนาดเท่าหัวแม่เท้าระดับเดียวกับที่เขาและเบียืนอยู่ก็ขาดล้มระเนระนาดราวกระถูกใบเลื่อยตัดบางกิ่งล้มทับลงมาบนร่างของคนทั้งสองที่นอนกลิ้งกอดกันกลมอยู่กับพื้นโดนเข้าตรงไหนบ้างเป็นไงเบีระวินถามเร็วปือ้อเบียไม่ตอบเอามือตะปบต้นแขนซ้ายจอมพลางกระชากมือหลอนออก ที่ไฟฉายลงไปดูเพื่อจะหาบาดแผลพบบริเวณหัวไหล่ตรงโคนแขนที่หล่อนกุมอยู่เมื่อกี้นี้เสื้อแจ็คเก็ตบริเวณนั้นเป็นรอยขาดปริเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับทะลุผ่านก็ไปได้และไม่มีรอยเลือดจึงเอานิ้วใช้ตามไปตรงตำแหน่งนั้นเดิงแยกเขี้ยวร้องลั่นมาอีกครั้งเพราะความปวดกระพินตบแรงๆลงไปสองครั้งแล้วบอกกรอกหูหล่อนว่าโชคดีไม่เข้าร็อกเบ เป็นเม็ดลูกปลายของลูกซองที่หมดแรงแล้วลุกเอา้าเขาบอกว่ายังไม่ทันสิ้นเสียงเบนก็ร้องก้องมองไปทางด้านเหนือศีรษะในสภาพที่กำลังนอนกลิ้งกันอยู่พระพินหันกลับไปมันห่างแค่ไม่ถึงวาเท่านั้นที่ปากมันอ้ากว้างพร้อมกับกรงเขี้ยวราวกับพญามัจจุราชกำลังจะขยําลงมามันจะต้องถึงศีรษะของเขาก่อนที่จะถึงเบน อย่างลนล้านแข่งกบเวลารานใหญ่แย่ปากกระบอกปืนพรวดไปยันไว้มันก็งัดทางปากลำกล้องพอดีเขียวนัดสัมผัสปากลำกล้องเล็กได้ยินดังกล่้มเวลาเดียวกับที่เขาเหนี่ยวไกตูมหัวของไอ้หมาผีหิวเลือดกระจายว่อนหายไปในพริตตาเหลือแต่ร่างกายอันผอมเกรงเอวกิวของมันยืนหยัดสีขาในท่า ยื้ยุดปากลำกล้องปืนนิ่งอยู่แค่เสี้ยววินาทีแล้วก็ล้มตักแ่งตึงลงแล้วอีกตัวหนึ่งที่โอดแล่นติดตามเพื่อนของมันเข้ามาโดยการนำของระบบดมกลิ่นก็ถูกเข้าอีกนัดในลักษณะยิงด้วยมือข้างเดียวของเราเองแยปากลำกล้องไปเบื้องหน้ากระทบเข้าแถวหน้าอกและข้างลาตัวเศษหนังสีดำดำและเครื่องในของมัน ถูกทะลวงให้ลอยเอาไว้แขวนติดอยู่กับกิ่งไม้ใกล้ๆทั้งยวงด้วยอำนาจแรงอัดลันของเวฟช็อคอันรุนแรงจากกระสุนที่มีความเร็วร่วม 3,000 ฟุตต่อวินาทีริ่งโคโลไปอีกตัวเบนขยับตัวจะลุกขึ้นแต่ระพินกดสีสาให้ราบต่ำลงเราถูกขนาบสึกแล้วพักพวกยิงมาทางนี้อย่างหนัก ซ้ำไอหมาหน้รกยังบุกเขาเล่นงานเราทางเดียวกันทางจะไปด้านอื่นก็ไม่มีนอกจากขนทางข้างหน้าอย่างเดียวเขาลดเสียงลงเป็นปกติแต่บอกหล่อนอย่างรวดเร็วแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันดีละ่ะระพินระพินแม้มริมฝีปากแน่นเอี้ยวคอมองไปรอบๆสองหูของเขายังอื้ออึงไปหมดแล้วส่วนรอบด้านไหนจะประกายไฟที่แลบเลียปาไหนจะเงาของไอ พวกหมาผีที่เล่นพลานไปหมดแล้วไหนจะแนววิถีหัวลูกปืนที่โปรยปลายมาเราก็หาฝนเบรดเราจะคลานกันไปอย่างเงยหัวขึ้นจากระดับที่สูงกว่าคลานนะเราสองคนมีสิทธิหัวขาดถ้าไม่จากลูกปืนของพวกเดียวกันก็จากเชี่ยวของไอหมาพวกนั้นอ้าเคลื่อนที่ได้บอกพลางเขาก็ยันกายขึ้นในลักษณะคุกเขา่า มือและเขาแตะยันพื้นออกคลานนําหน้าไปก่อนเบนคลานตามมาเบื้องหลังเสียงปืนของพักพวกในแคมป์มิได้เบาบางลงเลยตรงข้ามดูเหมือนจะดังกระนําหนักขึ้นทุกทีทั้งเป็นชุดและทั้งยิงเดี่ยวเป็นจังหวะทีละนัดนั่นน่าจะแปลว่าพวกที่เหลือในแคมป์คงจะปีนตายขึ้นไปยึดอยู่บนกิ่งไม้ระดับสูงเกินกว่าที่พวกมันจะกระโจนขึ้นไปงับถึงได้แล้วและช่วยกันระดมยิงลงมาอย่างดุเดือด กรดแพอพอกับความบ้าเลือดของไอ้พวกมานรนรกเหล่านั้นและทิศทางการยิงก็ดูเหมือนจะกระนำหนักมาทางด้านที่เขาและเบลกำลังตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดในขณะนี้ด้วยแสดงว่าพวกมันส่วนใหญ่คงจะพลูกันเข้าไปในแคมป์ทางด้านเดียวกับมุมการยิงในขณะนี้กดแยมิด stop firing don't you hear me ม ต้องปากตะโกนด่าสะบดออกไปอย่างเดือดดาลพระเสียงหัวกระสุนกรีดเฟิ้วเฝ้าผ่านศีรษะหล่อนและระพินผู้กำลังคลานสีเท้าอยู่ขนาดนี้นับไม่ถ้วนแต่มันไร้ผลโดยสิ้นเชิงสัพสำเนียงแห่งความมหาวินาศในขณะ น, นี้มันกลบเสียงของแม่ผมแดงหมดสิ้นหลอนพยายามจะปลดวิทยุเนบเอลขึ้นมาเพื่อจะติดต่อกับพักพวกขอ ห, หยุดการยิงมาทางด้านนี้ แต่เราพินกดมือยักบยังไว้ไม่มีประโยชน์หรอกคุณพวกเขาขณะนี้ไม่มีใครฟังเสียงวิทยุหรอกพวกหมาเวนตรไลพวกนี้กําลังพุ่งไปที่โคนไซน์นั่นก็พวกนั้นอยู่บนที่สูงปลอดไฟแล้วอะ่ะยึงสื่อยิงมาโดยไม่คํานึงถึงเราอะ่ะพวกเขาไม่รู้หรอกคุณว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาต้องการฆ่ามันให้มากที่สุด ต้องการไล่มันออกไปให้พ้นบริเวณที่พักตอนนี้นะ่ะมันชุลมุนที่จันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะคุณเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้